มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, ญห า, า, ญหาชัตถวัคทวินังพุทธานังโลเกอุ ป, ปัชนะปัญหาที่8ถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสในโลกพร้อมกันสององค์ทีเดียวไม่ได้เพราะเหตุอะไร ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปินประชาชาวสาละราชมีพระราชองค์การประพาถามอัฐปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสนา่าข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยปรีชายานสมเด็จพระบรมโลกกนาตศาสตราจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าทเวสัมมาสัมพุทธาสมเด็จพระพุทธเจ้าสองพระองค์ จะได้ตรัสพร้อมกันในโลกธาตุนี้หาไม่ได้ก็สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาสิ่งใดเล่าพระองค์เจ้าก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาดุดเดียวกันเหมือนกันทั้งนั้นจะได้ผิดแปลกแยกออกไปให้ต่างกันหาไม่ได้จะบัญญัติสิกขาบทพระวินัยนั้นเล่าก็มีอนุสนธิอันเดียวกัน ก็เหตุไฉ น, นสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าทั้งหลายจึงไม่ตรัสในโลกธาตุพร้อมกันเล่าถ้าแม้สมเด็จพระสัพพันยูเจ้าได้ตรัสในโลกธาตุเดียวกันนี้พร้อมกันโลกธาตุจะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยเป็นสมเด็จพระศาสดาจารย์ทั้งสองพระองค์จะได้ช่วยกันเทศนาโปรดฝูงนิกรมนุษย์เทวดาจะได้ช่วยกันบัญญัติศิขาบทภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาให้พินโยภาวะรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละโยมยังสงสัยว่าแม้สมเด็จพระบรมโลกกาณาศา ส, สดาจารย์ตรัสพระสธรรมเทศนาเหมือนกันบรรยิญญธรรมสิ่งใดเหมือนกันก็ทำไมจึงไม่ตรัสพร้อมกันเล่านี่แหละพระผู้เป็นเจ้าโยมนี้สงสัยนักหนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้ า, สส า, า, จาวิสัชนาให้แจ้งก่อน พระนาคเสนจริงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิธพระราชสมภารผู้ประเสริฐอายังทัศสหัสสโลกาธาตุอันว่าหมื่นโลกธาตุนี้เอกะพุทธทาริณีมีปกติจำเพาะจะทรงสมเด็จพระพุทธเจ้าไว้ได้แต่พระองค์เดียวจะทรงไว้ซึ่งคุณแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าได้แต่พระองค์เดียวเท่านั้น ยะธิทุติโยพุทโธอุปัจเชยะทว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองจะมาตรัสอีกพร้อมกันเป็นสองพระองค์ในห้องหมื่นโลกธาตุนี้แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์จะช่วยกันตรัสพระสัท ธ, ธรรมเทศนาโปรดฝูงนิกรสัตว์อยังทัสสะสหัสสะโลกธาตุอ่านว่าหมื่นโลกธาตุนี้ มิอาจจะทรงพระพุทธคุณไว้ได้จะเลยยะก็จะพึงหวั่นไหวกมเปยยะจะถึงให้สถทานสะเทือนไปณนะเมยยะจะพึงน้อมไปวินณเมยยะจะพึงน้อมไปต่างๆนัฐานมุปคัดเฉยยะจะเข้าถึงซึ่งความชิบหายมหาราชะขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ เปรียบดุจนาวารลำเดียวเอกะปุริสะสันธารณีม่ปกติจุแต่พอบุรุษคนเดียวจะข้ามฝั่งได้บุรุษผู้นั้นจึงลงสู่นาวาด้วยคิดว่าจะข้ามฟากนาวาก็จุแต่บุรุษผู้นั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่งล่ำสันโตใหญ่เท่ากันกับผู้นั้นจะมาโดยสารข้ามฝากจะลงมานั่งในนาวานั้นเป็นสองคนด้วยกัน นาวาน้อยนั้นจะบรรทุกคนทั้งสองข้างไปถึงฝั่งได้หรือประการใดพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีตรัสว่าไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าด้วยนาวานั้นเล่าก็น้อยแต่บุรุษคนเดียวลงนั่งอยู่ก็เพียบเต็มทีอยู่แล้วยังจะมีบุรุษล่มสรรเท่ากันมาโดยสารเล่าแต่พอนั่งลงนาวานั้นก็ไม่อาจส่งได้ ก็จะล่มลงเป็นมั่นคงเที่ยงแท้ในกระแสะคงคาพระน่าเกษณ์จริงอุปมาว่ายะถาข้อความอันนี้ฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้เป็นขัตติยาธิบดีอยังทศสหัสโลกธาตุอันว่าหมื่นโลกธาตุนี้เอกพุทธทาริณีจำเพาะจะทรงได้แต่สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์เดียว แม้สมเด็จพระพุทธเจ้ามาตรัสในมืนโลกธาตุเป็นสองพระองค์มื่นโลกธาตุมิอาจส่งได้มีอุปมาอุปไมเหมือนนาวาน้อยลอยลำจำเพาะจุแต่บุรุษผู้นั้นครันลงเป็นสองคนก็ล่มไปหมื่นโลกธาตุก็จะสุดสูญไปมิอาจส่งไว้ซึ่งพระพุทธคุณแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอันมาตรัสพร้อมกันเป็นสองได้เป็นอันขาด มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบานดังบุรุษผู้หนึ่งบริโภคอาหารอิ่มเต็มท้องตลอดคอหอยแล้วสุดที่จะรับประทานยังจะขืนให้กินอาหารเข้าไปเท่าที่กินนั้นอีกเล่านี่แหละบุรุษผู้นั้นเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปใหม่บุรุษผู้นั้นจะมีความสุขหรือว่าหาไม่ได้พระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดี มีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานบุรุษผู้นั้นบริโภคอาหารอิ่มหนักอยู่แล้วจึงขืนบริโภคเข้าไปอีกเล่าเห็นเต็มทีก็น่าที่บุรุษผู้นั้นจะต้องทนทุกข์ให้จุกรากต่างๆไม่มีความสบายพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภาร ข้อความที่เปรียบประการนี้ฉันใดมือโลกาธาตุทรงไว้ซึ่งคุณสมเด็จพระบรมโลกรนาะแต่พระองค์เดียวก็เต็มหนักอยู่แล้วแม้สมเด็จพระบรมโลกรนะจาจักตรัดพร้อมกันเป็นสองพระองค์นั้นก็ปวนปันวันไหวสุดเซไปมิอาจต้านทานได้ตถามีครุวนาดุดบุรุษอันบริโภคอาหารเกินการฉนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามชนีว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาแผ่นพระสุธาดนี้วันไหวมิอาจทนได้ซึ่ ง, งสิ่งอันหนึ่งคือพระอภิธรรมของสมเด็จพระพุทธเจ้าสองพระองค์อันมาตรัสในหมื่นโลกธาตุพร้อมกันนั้นหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงรับพระราชโองการว่า ดังนั้นน่ะสิบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งดุดบุรุษหนึ่งเอาเกวียนสองเล่มบรรทุกของให้เต็มเสมอเรือนเกวียนทั้งสองแล้วจะขนของเสียจากเกวียนเล่มหนึ่งเอาลงไปบรรทุกลงในเกวียนเล่มเดียวกันก็เกวียนเล่มนั้นจะทนทานของนั้นได้หรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคะเสนผู้มีญาณปรีชาตกว่าเกวียนเล่มหนึ่งก็บรรทุกของลงไว้เต็มที่อยู่แล้วมิหนำซ้ำจกเอาของอีกเล่มเกวียนหนึ่งมาบรรทุกลงอีกเล่าจะเกิดเหตุเป็นแม่นมั่นอาราปิแม้กงกรรมเกวียนนั้นพิเฉยะจะทําลายลงอโคปิมิฉะนั้นก็เพลาจะหักสะบั้นออกไป นัฐานมุปคัดไชยะจะต้องเข้าถึงความชิบหายเป็นอันตรายทีเดียวนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจริงวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวะพระพรบพิษพระราชสมภารข้อความประการนี้ยะถามีครุวนาฉันใดเอวเมวโขวอันว่าแผ่นพระสุธาดลอันใหญ่นี้ จำเพาะจะทรงได้แต่พระพุทธคุณสมเด็จพระบรมโลกาณาสัสดาตรัสแต่พระองค์เดียวเท่านั้นถ้ามีสมเด็จพระบรมโลกาณาสัสดามาตรัสเป็นสองเข้าอีกเล่าก็มิอาจทนทานได้หน้าที่จะวิการไปเหมือนเกวียนบรรทุก ข, ของหนักฉะนั้นอะปิจัมหาราชะอีกข้อหนึ่งดูกระบพิษพระราชสมภาร พระองค์จะทรงสวนาการซึ่งเหตุอันควรเพื่อจะสำแดงกำลังแห่งพระพุทธเจ้าต่อไปดังนี้ทวสัมมาสัมพุทธาเอกคเนอุปัชยยุงขอถวายพระพรถ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะมาบังเกิดตรัสพร้อมกันในโล ก, กธาตุช่วยกันเทศนาโปรดสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์หญิงชายจะแตกออกเป็นสองฝ่าย จะวิวาททุ่มเถียงแก่กันด้วยถ้อยคําว่าตุมหากังพุทโธอัมหากังพุทโธสมเด็จพระพุทธเจ้าของท่านสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราบริษัทก็พากันถือเป็นสองฝ่ายไปดุดอัมมาตขราชการสองคนอันเป็นข้าเฝ้าสมเด็จบรมกษัตริย์ราชผู้ประเสรศิฐตั้งแต่งไว้ต่างพระเนตรพระกันให้ปรึกษากิจราชการ และพวกบริวารของอมาตทั้งสองนั้นก็ถือกันเป็นสองพวกว่าอมาตคนนี้เป็นเจ้านายท่านอมาตผู้นั้นเป็นเจ้านายเราบริวารก็จะเป็นสองเหล่าไปยะถาความนี้มีอุปมาชั้นใดทเวสัมพุทธาอุปัชยยุงสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าสองพระองค์จะอุบัติเกิดพร้อมกัน จะช่วยกันสั่งสอนสัตว์โลกในโลกกระธาดนี้บริษัททั้งหลายจะเกิดวิวาทกันว่าสัทธาตุมหากังสัทธาอัมหากังสมเด็จพระบรมครูเจ้าองค์นี้ของท่านสมเด็จพระบรมครูเจ้าองค์นั้นของเราบริษัทจะเป็นสองเหล่ากันชนีจะเกิดวิวาทกันเอวเมวะเมะตะถา มีครุวนาดังฆ่าแห่งอมตถทั้งสองฉะนั้นอุตตริงการนังสุนโนหิมหาบาพิษจะฟังเหตุให้ยิ่งไปกว่านี้อีกมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมผานพระองค์ผู้ประเสริฐทเวสัมมาสัมพุทธาอันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าสองพระองค์จะมาตรัสเป็นบรมโล ก, กนาฏในโล ก, กธาตุเอกัคคณี ในขณะเดียวพร้อมกันคำที่ว่าอกโคพุทธโธสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นอัคระบุคคล น, นั้นคำอันนี้จะมิผิดไปหรือเชิดโถพุทธโธคำที่ว่าสมเด็จพระพุทธจจเจ้าเจริญโดยวิเศษกว่าคนทั้งหลายอันจเจริญก็จะผิดวิสิทธโธพุทโธคำว่าสมเด็จพระบรมโลกนาฏ ประเสริฐกว่าเทวามนุษย์อินพรมอันอุดมนั้นก็ผิดและคําที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุดมบวรหาผู้ใดจะเสมอเปรียบเทียบมิได้นั้นก็จะผิดไปสิน้นเมื่อแผ่นดินหนึ่งมีพระพุทธเจ้าตรัสพร้อมกันเป็นสองแล้วจะว่าเลิศว่าประเสริฐว่าอุดมยิ่งนั้นจะยิ่งจะอุดมที่ไหนเล่าเหตุว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสเป็นด้วยกันจะว่าประเสริฐอย่างไรสัมปติชัยยาสิพระองค์จะสันนิฐานเข้าพระไทยเถิดธรรมดาสมเด็จพระพุทธเจ้าบังเกิดในโลกธาตุในขณะหนึ่งจะบังเกิดขึ้นได้แต่พระองค์เดียวด้วยเหตุดังอัตมาถวายวิสัชนามานั้นประการหนึ่งจะถวายอุปมาให้บ่อพิทรงพระสาวนาการอีกยังโลเกมหันตัง สิ่งที่ว่าโตใหญ่บรรดาที่มีในโลกนี้มีปฐวีคือแผ่นดินอันใหญ่นี้สาเอกาแผ่นดินนั้นก็เป็นอันเดียวจะมีเป็นสองหามไม่ได้สาคโรออันว่าสาครทะเลหลวงอันใหญ่นั้นเอกโกเอวังอันเดียวแท้จริงสิเนรุคิริราชาอันว่าพระสิเนรุราดอันใหญ่เป็นพระยาแก่เขาทั้งปวง มหันโตใหญ่เขาพระสุเมนนั้นไซก็อันเดียวเป็นเจ้าเขาอากาศโศอากาศนั้นเล่าโลกกล่าวว่าใหญ่อากาศนั้นไซก็อันเดียวไม่มีอื่นอีกเป็นสองสักโกสมเด็จอมรินผู้ครองเมืองดาวดึงมหันโตก็ประเสรฐยิ่งอยู่พระองค์เดียวมาโรพระยามารที่ว่าประเสรฐนั้น ก็มีอยู่ผู้เดียวมหาพรห ม, มาเท้ามหาพรหมที่เป็นใหญ่กว่าพรหมทั้งปวงก็มีอยู่พระองค์เดียวสมเด็จพระสัพพันยูเล่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกก็มีพระองค์เดียวเหมือนฉะนั้นอัญญสะโอกาโสพระเจ้าจะมาตรัสอีกเป็นสองนั้นจะได้มีโอกาสหาไม่ได้จำเพาะจะตรัสในโลกได้แต่พระองค์เดียว เป็นธรรมดาจะรีดมาถึงว่าจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาและบัญญัติศิกขาบทนั้นเหมือนกันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแหละในคราวหนึ่งจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขอถวายพระพรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นประชาชาวสา克นครก็สมุสนสมานาตรัสธุกการ ชมปัญญาของพระนาคเสนดุดนยะที่วิสัชนามาแต่หนหลังทวินังพุทธานังโลเกอุปัชชนะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้